พูดทั้งหมดที่รู้พูดทุกคาที่อยากพูดก็ต้องรับกรรมทั้งหมดที่เคยทำทุกคนรู้ด้วยสัญชตาตญาณว่าคำบางคำไม่ควรพูดแม้อยากจะขยับปากพูดเต็มแก่เพราะพูดแล้วเกิดเรื่องเกิดราวเป็นที่เจ็บใจปวดแสบปวดร้อนแก่ผู้ฟังก่อศัตรูให้ย้อนมาทิ่มแทงตนในภายหลังได้ ทุกคนทราบด้วยประสบการณ์ตรงว่าเรื่องบางเรื่องไม่ควรเข้าหูใครตัวเองรู้ไม่ใช่เพื่อให้ใครต่อใครรู้ตามเพราะถ้าใครต่อใครรู้ไปด้วยความวิบัติก็เกิดขึ้นไปได้ทั้งเขาทั้งเราแรงดันในอกในใจที่ทำให้อยากหลุดปากอยากพลอยโพล่อยากด่าสาดอยากแฉอยากเปิดโปงบางครั้งเป็นกลไกที่ทาให้ต้องเสวยวิบากร้าย ผลักดันให้คนรักใคร้อันหลังให้กันมองหน้ากันไม่ติดตลอดชีวิตบีบคั้นให้พ่อแม่ลูกไม่เผาผีกันไปทุกภพทุกชาติเค้นหัวใจให้คนแปลกหน้าฆ่ากันกลางถนนเรื่องนิดเดียวหาความสงบอกสงบใจไม่ได้อีกนานจนตายคนส่วนใหญ่ก็พูดทั้งหมดที่คิดปากโป้งทั้งหมดที่รู้คนส่วนใหญ่ จึงต้องรับกรรมทั้งหมดที่มีน้อยนักที่ฝึกสติไว้ดีพอจะไม่หลุดปากเก็บงำคำมืดๆร้ายๆไว้ในปากวิบากจึงให้ผลกับชนหมูน้อยเหล่านี้เพียงครึ่งหรือบางทีก็ไม่ให้ผลอีกเลยเพราะเมื่อผ่านด่านดักให้ผลไปได้แล้วก็หมดกำลังให้ผลณจุดนั้นแล้วเป็นอาโหสิกรรมไปแล้วไม่ย้อนกลับมาให้ผลอีกแล้ว